เรื่องที่10ทัศนะไม่ตรงกันก็รําคาญใจอีกอย่างหนึ่งในบรรดาเรื่องน่ารําคาญใจทั้งหลายคือความขัดแยง้งกันกับคนต่างวัยเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนดูเขียวเขียวแดงแดงให้มันคลึกครื้นหัวใจสักหน่อยคุณพ่อเกิดจะเข้าวัดแล้วคุณแม่ก็ไม่อยากออกนอกบ้านรั้นคุณพ่อคุณแม่จะเปิดวิทยุฟังเทศบ้าง ลูกๆเกิดจะฟังเพลงเห็นเด็กกับผู้ใหญ่ต่างวัยต่างทัศนาแล้วเหมือนอย่างกับเห็นหมาคาบกระบอกข้าวหลามขวางทั้งนั้นท่านรู้สึกรำคาญใจเหนือเรื่องทำนองนี้บ้างหรือเปล่าเท่าที่ผมทราบมีคนจำนวนมากถึงกับเป็นทุกข์เป็นร้อนในเมื่อลูกๆไม่เป็นไปอย่างใจและบางคนก็ถือเป็นความผิดของเด็กใหญ่โต ถึงกับโมโหโทโสก็มีเช่นอย่างใช้ลูกไปส่งของที่บ้านคุณป้าแต่แล้วเด็กกลับมาช้ากว่าที่ควรจะเป็นสักหนึ่งชั่วโมงเพราะแวะไปดูเขาเตะฟุตบอลที่หน้าโรงเรียนเสียก็คิดตเตลิดแปลว่าลูกไม่อยู่ในโอวาดของพ่อแม่สันดานมันไม่ดีบางทีลูกๆขอไปเที่ยวทัศนาจรกับเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวคุณพ่อคุณแม่ นึกแล้วว่ามีแต่พวกเด็กๆทั้งนั้นทำไมจะไปไกลมากนักกลัวจะไม่ปลอดภัยจึงไม่อนุญาตเด็กๆ ก, ก็ทำงอนบ่นกระปอดกระแปดว่าคนแก่หัวโบราณคุดอยู่แต่ในบ้านจะโง่เป็นควายอยู่แล้วความนึกคิดขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ถ้าครั้งสองครั้งไม่มีอะไรมากบ่นกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิก และต่างฝ่ายต่างลืมไปแต่ถ้าหลายครั้งหลายคราวเข้าความรู้สึกขัดแย้งมันจะค่อยๆสะสมขึ้นในใจของทั้งสองฝ่ายเด็กก็จะเกิดความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เห็นใจผู้ใหญ่ก็จะเกิดความรู้สึกว่าลูกไม่รักดีความรู้สึกอย่างนี้หรือทํานองนี้จะฝังอยู่ในใจและคอยกระตุ้นใจอยู่ตลอดเวลาพอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตนก็จะคิดอย่างนี้ก่อนอย่างอื่น อย่างเช่นเด็กรุ่นหนุ่มสาวที่มีความรู้สึกฝังใจว่าพ่อแม่ไม่เห็นใจเมื่อเวลาไปรู้จักรักชอบกับใครก็ไม่อยากบอกพ่อแม่ปิดไว้จนกว่าจะปิดไม่อยู่เพราะคิดว่าถึงบอกท่านก็คงไม่เห็นใจกว่าพ่อแม่จะรู้เรื่องก็โน่นละไม่ใช่ลูกตัวเป็นคนบอกแต่ให้หลานบอกออกมาเอง ตายายพอรู้เรื่องก็ต้องตบอกผางๆทุกหนักเข้าไปอีกหากไม่คิดเกรงใจตัวเองอยู่แล้วก็อยากจะด่ามันว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนทัศนคติที่ไม่ตรงกันในเรื่องอื่นๆก็ยังมีอีกมากทุกวันนี้กำลังกลายเป็นปัญหาเสื่อมโทมของสังคมทีเดียวแต่เมื่อเวลาท่านผู้เชี่ยวชาญปัญหาสังคมท่านพูดออกมาท่านใช้คาว่า ความไม่เข้าใจเด็กคือความหมายว่าผู้ใหญ่เรานี่แหละไม่รู้จักเด็กแล้วทําอะไรกับเด็กผิดผิดถูกถกูเด็กจึงกลายเป็นคนไม่ดีผมเองก็เห็นด้วยแต่ความเห็นของผมมันงอกออกไปหน่อยหนึ่งว่าเด็กกับผู้ใหญ่ไม่เข้าใจกันไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กอย่างเดียวเด็กก็ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ด้วยมันจึงได้ยุ่งและถ้าจะให้หา ย, ยุ่งจริงๆ ก็ต้องต่างคนต่างเข้าใจกันการที่จะไปกะเกณฑ์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเข้าใจ เ, าเราแต่ข้างเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองยังไม่เข้าใจตัวเองจะให้ใครที่ไหนมาเข้าใจเราการหาความสงบใจในเรื่องนี้พอทำได้คือยอมรับในเรื่องต่างไว้ต่างทัศนะเสียอย่างเดียวเท่านั้นความเรียบร้อยอื่ น, นก็จะตามมาเองเพื่อความสะดวก โปรดตรวจดูวัยของคนดังนี้ 1-15 ถึงปูนเด็ก1 6หถึงปูนหนุ่มสาว2 6ถึง60ปูนผู้ใหญ่6 0ถึง70ปูนชรา70ขึ้นไปปูนผู้เฒ่านี่แหละครับอายุของคนแบ่งเป็น5ปูนทำไมจึงแบ่งอย่างนี้ก็เพราะว่า คนที่อยู่ในระยะปูนเดียวกันทัศนามักจะตรงกันรถนิมมใกล้เคียงกันและมีความต้องการในทํานองเดียวกันสนใจในพวกเดียวกันมากกว่าคนต่างวัยยกตัวอย่างเช่นถ้าชายแก่คนหนึ่งพาลูกชายอายุ16ปีเดินเข้าไปในโรงเรียนสตรีซึ่งมีนักเรียนสาวๆอยู่กันเยอะๆนักเรียนสาวๆเหล่านั้นพอเห็นพ่อลูกคู่นั้น แต่ละคนจะเกิดคำถามแรกขึ้นในใจว่าใครนะที่เดินมากับคนแก่แสดงว่าบุคคลลำดับหนึ่งที่พวกสาวๆสนใจก็คือลูกชายส่วนพ่อนั้นเป็นเพียงตัวประกอบแต่ถ้าพ่อลูกคู่นี้เดินเข้าไปในนิคมคนแก่ที่บางแคบรรดาสมาชิกผู้ชาราทางนิคมพอเห็นเข้าท่านก็จะเกิดคำถามขึ้นในใจว่าใครนะที่เดินมากับเด็ก กลายเป็นว่าพอเข้านิคมคนแก่พ่อเป็นผู้แสดงนำส่วนลูกเป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้นคนต่างวัยนั้นมีความต้องการแตกต่างกันในส่วนใหญ่ๆดังนี้ปูนเด็กอยากอยู่กับผู้ใหญ่ปูนหนุ่มสาวอยากอยู่ใกล้กันปูนผู้ใหญ่อยากทำงานปูนชราอยากพัก ปูนผู้เท่าอยากอยู่เงียบเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างเดียวกันข้อเดียวกันถ้าให้คนต่างวัยคิดก็จะเห็นไปคนละทางอย่างเช่นหลายคนหลายวัยเดินไปเห็นกุหลาบดอกงามๆเข้าดอกหนึ่งคนปูนเด็กอาจคิดว่าน่าเอาไปฝากครูจังเลยคนปูนหนุ่มสาวอาจคิดว่าน่าจะเอาไปฝากแฟนแฮ คนปูนผู้ใหญ่อาจคิดว่าเราปลูกขายมั่งจะดีไหมคนปูนชราอาจคิดว่าหน้าปักใจกันไวดูเย็นเย็นตาคนปูนผู้เฒ่าอาจคิดว่าน่าเอาไปบูชาพระนี่แหละครับที่ว่าต่างไว้ต่างทัศนะรู้ความจริงเสียแล้วก็สงบใจไปได้มากเมื่อรู้สึกว่าคนอื่นทศนะไม่ตรงกับเราเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างวัยกัน คนที่เข้าใจในทัศนาของคนต่างวัยนอกจากจะสงบใจตัวเองได้แล้วยังอาจช่วยให้คนอื่นสงบใจได้ด้วยเพียงกุหลาบดอกเดียวก็อาจทำความชื่นใจให้แก่คนได้ทุกวัย